พระนามเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าแพ้ก็ตายชนะไปก็ไม่รอดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันนี้เป็นวันแรมแปดข้าเดือนสามเป็นวันพระกณัทธาญาติโยมแล้วก็วันวานวันก่อนหลวงพ่อมีจะพูดเรื่องคุณธรรมนนธรรมจริยธรรม ถ้าจะหว่าไปแล้วก็มันห่างห่างตัวของพวกเราเกินไปแต่หว่าเรื่องพูดเรื่องแพ้เรื่องชนะนะผู้แพ้ก่อนหลบหนีตะเลิศเปิดเปิงผู้ชนะก่อนหัวเลาะแต่สุดที่สุดทั้งผู้แพ้ผู้ชนะถึงขราวจุดจบมาก็ถึงจุดจบด้วยกันคือความตาย ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะพูดเข้ามาหาตัวของพวกเราแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะแพ้ถึงจะชนะก็มีจุดจบเราต้องงบบัญชีของเราด้วยผู้แพ้ก็าตามผู้ชนะก็าตามบัญชีบุญของเราเพียงพอหรือยังถ้าผู้แพ้ อย่างพโมกคาลาเนะี่ยถูกโจมค่าเนะี่ยแพ้เป็นผู้แพ้นีแต่ท่านได้เป็นพระหันนะ์ผู้ที่กระทาไปก็เป็นบาปบางทีผู้ชนะก็เป็นผู้เป็นผู้มีบุญผู้แพ้ก็เป็นผู้ทําความชั่วก็มีอย่างพระพุทดธดเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะนะแต่ท่านไม่ไม่หวังชนะแต่เป็นผู้ชนะ ถ้าคิดดูแล้วเทวทัตเนี่ยเป็นผู้แพ้นะจากนั้นก็ตกนรกพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนี่แหละถ้าปิดงบนะปิดงบสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งทีชีวิตเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาให้ละเลึกไ้อยู่เสมอในหลักธรรมคำสอนของพุทธะละเลึกถึงความตายสบายนัก หากรักหักหลงในสงสารหากรักด้วยหักหลงด้ว ย, วยในสงสารสังสารวัฏถ้าเาว่าเราไม่ระลึกถึงความตายเนี่อถ้าเอาจะชนะใครกับเมธะคิดชนะอย่างเดียวผูวกกลัวกับ ก, กลัวแพ้ออถึงจะแพ้กว่าเถอะกรยังงไปจะเอาชนะเขาให้ได้นี่แหละโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ เ, เพราะนั้นพวกเรา ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์ดูถึงจะแพ้หรือถึงจะชนะ อ, อ, อย่างไรมาถึงถ้าว่าอยู่ในโลกเนะี่ยมันก็ถึงจุดจบจุดจบอย่างเก่าถ่าว่าชนะกิเลสภายในใจของตนเองได้นะเลิศประเสริฐที่สุดเ อ, อเอาชนะกิเลส โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของตนเองได้นั่นแหละเลิดประเสริฐเพราะนั้นเราต้องมองจุดนี้ด้วยนะมองมองมองเข้ามาหาตัวเองอย่าไปหวังแพ้หวังชนะทางโลกเกินไปอย่าไปช้ำเติมคนที่เขาแพ้เขาชนะอย่าไปส่งเสริมช้าเติมผู้แพ้ผู้ชนะ ให้มองเอาไว้ว่าถึงจะแพ้หรือชนะยังไงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้แต่พวกเราทุกคนให้มองตนเองเรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจและยังกิเลสภายในใจของเราหลุดพ้นและยังนี่แหละให้พวกเราดูตนเอง ให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะเพราะพระไตรเจ้าไม่ต่สอนท่านสอนอย่างนั้นสอนพวกเราแต่ทนา้ให้พวกเรามองมองเข้ามาหาตัวตัวเองเราเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าเรื่องเราเตรียมพร้อมประกอบคุณงามความดี ตลอดไปหรือเปล่าหรือเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวของเราโดยไม่ขาดสายหรือเปล่าสิ่งเาได้นห้พวกเรามองนะไม่ว่าแต่พวกเราทุกท่านล่ะหลวงพ่อมองหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะลูกลานนะไอ้พวกเราก็ให้มองให้มองตนเองสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทตรงไหนที่มันด้อยมันตามอยู่ ให้ทานเราก็ตามมีตามเกิดที่มันเกิดขึ้นมาเราก็เสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียสละให้พ่อให้แม่ให้ผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ตากว่าด้อยกว่าเราก็ให้เขาอย่างเห็นหมามันผอมมันหิวเรามีอยู่มีกินเรามีอยู่มีกินเราก็ควรจาแบ่งให้หมาบ้างเพราะมันหมามันผอมมันหิวนะ นี่แหละอันนี้คือเป็นการเสียสละไม่ใช่ว่าการเสียสละคือไม่ได้เป็นเงินเป็นมืนเป็นแสนเป็นล้านยังค่อยทำไม่ใช่การเสียสละคื อ, คอน้ำใจนั่นแหละเสียสละให้กับสบรรพสัตว์ให้กับผู้ด้อยกว่าเราเลือให้ทดแทนพระคุณผู้มีอุปกระคุณสําหรับเราแต่ว่าตัวของเราเองก็ดูอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทั้งท่านทัน้งเราช่วยมองอันนี้ฐานะการเป็นอยู่ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างนี้แหละเรามีศีลละยางเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีศีลละยางวันนี้แห่วันพระนะตามไม่จริงวันพระนี่เป็นวันธรรมัสวรนระพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ตั้งแต่นูนตั้งแต่ค้างพระพุทธเจ้ายัง ส่งพระชนอยู่อุบาสกอุบาสิกาถึงวันพระอย่างนี้แหละก็ถือเครื่องสักการะดอกไม้ทูปเทียนเข้าไปสู่วัดวายศาสนาจากนั้นก็ฟังพระธรรมาเทศนาประกอบคุณงามความดีรักษาศีลอันนี้คื อ, อผ่านวันธรรมจวรนะณสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นผู้มีศีลนะยัง เราขาดตกบกพ่องในศีลข้อไหนอย่างนี้เป็นต้นศีลของคารวาสก็คือศีลห้าเนี่ยที่หลวงพ่ออธิบายแล้วบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกถ้าวผู้มีอายุมากขึ้นมาหรือว่าผู้ที่เสียสละจักช่วกช่วงการช่วงเวลาหรือว่าบวชแนคขำมาอยู่วัดเนี่ยบวชแนคขำมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลอุโบสถ อันนี้ก็แปลว่าแข่งขึ้นมาแข่งคัดขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลสำหรับคราวญนี่แหละอันนี้พวกเราขาดตกบกพร่องหรือยัง ข, ขาดตกบกพร่องไหมมองตนเองทำมันอย่างขาดตกบกพร่องเอาพยายามทำเตให้เต็มตื่นขึ้นจากนั้นเรื่องภาวนาเราภาวนาค่ำคืนแต่ละวันเราได้ภาวนาไหม ได้กำหนดจิตกำหนดใจไหมได้ดูตนเองไหมนี่แหละก็พยายามดูจุดนี้อีกเหมั่นกันเรื่องภาวนานี่มันโดยมากโดยมากเลยละ่ะไม่ค่อยใส่ใจและสนใจแต่ตามมจริงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะเรื่องภาวนานี่นะ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตาา ย, ยาติโยมให้ใส่ใจเรื่องภาวนาเพราะว่าเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลทีเดียว การนั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบกาหนดอะไรกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทแต่วิธีการเนี่ยทำาง่ายแต่มันมันสู้กับอารมณ์สู้กับความนึกคิดทางด้านจิตใจไม่ใช่ของธรรมดาตัวนี้แต่ที่ยังไงเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อ ในทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องปฏิบัติตั้งนาฬิกาให้เลยอย่างน้อยวันคืนละหนาทีได้ไหมนั่งแต่ละครั้งเมื่อมีโอกาสท่าหนังอย่างอื่นทำอย่างอื่นแล้วยังทำได้นั่งภาวนาห้านาทียังทาไม่ได้โอ้สักจะแย่เกินไปแล้วจากนั้นก็ยับขึ้นไป10นาทีได้ไหมย20 30านาทีแต่หลวงพ่อไว้อย่างน้อยสัก30นาทีแต่ละคืนนะ ก่อนหลับก่อนนอนเรานั่งภาวนาสงบจิตสงบใจกําหนดหายใจเข้าพดทายใจออกโทรหรือว่านับเอานับลมหายใจเข้าตัวเองก็ได้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสีมันไม่เผลอถึงร้อยกลับมาหนึ่งอีกถ้ามันเผลอที่จะไปนับต่อนะให้กลับมานับหนึ่งอีกถ้ามันเผลอกลับมานับหนึ่งอีกมันเผลอย่างไง แต่พอมันจะเผลอมั น, นค้ำเคิมหรือเบลเบลเนะเ อ, อหายใจเข้าเลขเลขขี้หนึ่งหายใจออกเลขคู่สองหายใจเก่าเลขขี้สามสี่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยนะถ้ามันไม่เผลอเอากลับมาอีกนับหนึ่งอีกถ้ามันเผลอเป็นถึงยี่สิบมันเผลอพอนับเข้าไปมันขี้คู่ใช่ไหม เออพอนับไปเอกทำไมมันคู่ขี้วะเออพันทำไมเลขเอยเลขสิบสองหายใจเข้าสิบสองหายใจออกสิบสามหนึ่งไปว่าคู่ขี้แล้วตเนี่อาไม่ได้เปลว่าหลงแล้วเผลอแลอถ้าเผลอแล้วแล้วก็กลับมาอีกนะอันนี้แหะคือขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบ จากนั้นจิตใจของเราก็จะสงบแล้วะนีนิ่งให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อไปนี่เขอให้พวกเราทุกทท่านนะทานลรวก็ทำศีลล้วก็มีสมาธิภาวนาล้วก็ปฏิบัตินี่แหละอันนี้คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและร ะ, ะลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมรณงเมภวิสติข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันใดมันวันไหนหละ อันนี้ไม่ใช่เอาเรื่องความตายมาพูดมาขู่กันนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเแต่เราอยากไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงไม่อยากจะคิดก็ต้องคิดไว้ก่อนนะดีที่สุดนะเอารับพ่ในะแตนีน่านะ